ผลกรรมของการลาออกทั้งยังงานค้างบทความโดยดังตรินจะทำโดยอังคณามนทาทิพกุลอยากทราบว่าการลาออกจากงานเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวโดยที่งานยังค้างคาไม่เสร็จเรียบร้อยจะมีผลกรรมใหญ่ตามมาไหมครับ ถ้าลาออกจากงานขณะกำลังมีอารมณ์กำลังโกรธหรือของขึ้นแค่นั้นก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะเป็นบ่อกเกิดของนิสัยหุนหันพลันแล่นความอดทนต่ำเจ้าคิดเจ้าแขนผมมองว่านิสัยด้านเสียที่ติดตัวไปแบบแก้ยากพันนี้นั่นแหละเป็นผลกรรมที่เห็นชัดทันตาเพราะคุณอาจบูวามได้กับทุกสถานการณ์อะไรๆก็ช่างมันอยากปล่อยปละละเลย หรือผากพาระให้คนอื่นรับผิดชอบแทนเรานิสัยชนิดนี้เมื่อเพาะชำจนรากงอกกับจิตใจของเรายึดติดแน่นหนาอยู่กับเราแล้วชีวิตที่เหลือแทบลืมเรื่องความสุขกายสบายใจไปได้เลยเพราะจะดูเหมือนคุณต้องเผชิญกับปัญหาแก้ไม่ตกอยู่เรื่อยและทำให้เสียความนับถือตัวเองลงทุกทีเท่าที่เห็นมายุคนี้ทุกคนมีความเซ็งเน็ตนายกับความจำเจ หรือปัญหาซ้ำซากในที่ทางานจนบ่นอยากลาออกวัน ล, ละสองสามหนกันทั้งนั้นแหละครับถ้าทนไม่ไหวจริงๆเพราะแรงกดดันซ้ำซากมันยากเกินจะรับอย่างนั้นจะออกก็ออกเถอะแต่ขอให้กัดฟันสะสางการงานในความรับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานให้คนใหม่เขาเข้ามารับช่วงดีๆก่อนอย่าออกั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนเดือดร้อนแทนคุณคุณแค่รับรู้อย่างเดียวว่าไม่เอาแล้ว บายๆฉันไปก่อนละจะอ้างว่าไม่รับเงินเดือนงวดสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นการยุติธรรมอะไรเลยนะครับคนเราไม่ใช่ทำงานแลกเงินเดือนอย่างเดียวตัวงานเองคือการก่ อ, อ ก, กรรมชนิดต่างๆมากมายเหลือคณานับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมในด้านความรับผิด ช, ชอบต่อส่วนรวมผมเคยเห็นนะครับกลุ่มลูกจ้างไม่พอใจเจ้านายก็นัดแนกกันลาออกคือปรึกษากันแล้วเห็นชัดว่า ถ้าแกล้งกอดคอลาออกอย่างพร้อมเพรียงบริษัทชิบหายแน่หรือเจ้านายต้องวิ่งวุ่นเหน็ดเหนื่อยขาขิดแน่ๆ แ, แบบนี้ผลกรรมในอนาคตจะต้องเป็นผู้เหนื่อยแทบกระอักเลือดเป็นผู้ที่คุมคนไม่ได้และจะต้องแบกภาระหลายด้านพร้อมกันทําอันนี้ไม่ทันเสร็จก็มีอันโน้นเพิ่มทับเข้ามาบางคนคิดอย่างนี้นะครับ คือฉันไม่แคร์ว่าจะต้องพึ่งใครละฉันไม่ง้อใครต่อละฉันพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นฉันจะลาออกไปเป็นนายตัวเองอันนี้ขอบอกว่าถ้ามีเงินเก็บมีทุนหนาหรือมีสายป่านยาวก็ดูเหมือนใครๆจะเป็นนายตัวเองกันได้จริงแต่แนะอย่างหากคุณทำงานเป็นลูกน้องคนอื่นแล้วยังปราพยศในตนเองไม่ได้ยังดับนิสัยหุนหันพลันแล่นไม่ได้ก็อย่าเสี่ยงทีเดียวครับ อย่าเพิ่งตัดสินใจเป็นนายตัวเองหรือคิดเป็นนายคนอื่นเพราะคุณสามารถปิดบริษัทได้เพียงด้วยเหตุผลเล็กๆเกช่นเบื่อแล้วเสง่งแล้วขี้เกียจทำต่อแล้วไม่อยากอดทนกับความกดดันต่างๆแล้วและนั่นก็จะเป็นความเดือดร้อนของลูกน้องคุณทั่วหน้าโดยที่ตัวคุณยังมีฟุกรองรับสบายบายต้องมีวงเล็บไว้นิดหนึ่ง เดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างฝ่ายเจ้านายท่าเดียวผมเคยเห็นอีกเหมือนกันบริษัทที่มีนายมหาโหดราวกับผู้คุมนักโทษด่าว่าพนักงานด้วยนิสัยดุร้ายอันพานพูดจาหยาบคายยิ่งกว่าปากตลาดทั้งที่มีการศึกษาสูงแม้จะเดินไปเข้าห้องน้ำก็เลแล้วเละอีกและหนักกว่าอะไรคือใช้งานคนเยี่ยงทาตให้กลับดึกดืก่นเป็นประจำโดยไม่มีโอทีไม่สนว่าผู้หญิงกลับข้ามืด จะมีอันตรายแค่ไหนแบบนี้ต้องใช้ดุลยพินิษว่าเขาทำเกินไปหรือเปล่าถ้าเกินไปแบบผิดผู้ผิดคนจริงๆคุณลาออกมากระทันหันก็ไม่เป็นไรครับถ้าเครียดเหมือนสติจะแตกขอลาพักร้อนก็ไม่ได้งานการประดังรุมเร้าเข้ามาไม่หยุดหย่อนด้วยภาวะความจำเป็นของบริษัทอันนี้ก็อาจต้องเอาตัวรอดเหมือนกัน ไม่งั้นเดี๋ยวไปลงเอ่ยที่โรงพยาบาลบ้าถ้าคุณกํายาละลายชุดพร้อมหน้าดำๆไปแสดงเป็นหลักฐานเขาก็คงให้ออกด้วยความเห็นใจขออย่างเดียวอยากแกล้งตกแต่งหลักฐานขึ้นมาทั้งรู้แก่ใจก็เล่ากันยาสรุป ค, คือวิธีลาออกอย่างปลอดภัยในทางธรรมะจริงๆนั้นคือหัดปราพยศในตนเองให้ราบคาบเสียก่อน แน่ใจแล้วว่าขณะตัดสินใจลาออกนั้นจิตใจคุณไม่เคืองแค้นอาฆาตใครไม่ทำไปเพื่อความสะใจหรือคิดประชดใครให้เขาผูกเจ็บแต่ทำไปด้วยเหตุผลตามสมควรอย่างแท้จริงและไม่มีสิ่งใดติดค้างอยู่อีก